เขียนเคยเล่าว่าเมื่อสักยี่สิบกาปีก่อนสมัยที่ท่านอยู่ที่ท่ามาไฟหวานวันหนึ่งก็มีภาพรูปหนึ่งนะพี่ชายพามาใหมาอยู่ปฏิบัติกับท่านผู้จะเป็นพระนี้ก็ยังเป็นหนุ่มชักกันอยู่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 รเราเรจะสึกให้ได้หลวงพ่อก็ไม่ยอมก็แนะเขาไปปฏิบัติหายไปสักพักมาอีกนะคราวนี้เราเราจะสึกให้ได้เลยหลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรทำให้คุณมาหาผมเขาดิ้งสักพักแล้วก็ตอบว่าความคิดครับ หลวงพ่อก็เลยถามเขาว่ามันคิดแล้วนี้ต้องทำตามความคิดทุกอย่างเหรอ้าาคุณทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรอือให้กลับไปปฏิบัติต่อเขาก็มีสีหน้าไม่ค่อยพอใจวันรุ่ขึ้นค่อยเห็นหลวงพ่อเขาก็รีบมาทันทีเลย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 แล้วก็พบว่าเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้อีกนานทีเดียวนะบวชเป็นพระได้เป็นสิบปีได้ไอ้สิ่งที่หลวงพ่อพูดกับพระใหม่รูปนี้น่าน่าคิดมากทีเดียวนะถ้าคุณทำตามความคิดทุกอย่างนี้คุณไม่แย่หรือความคิดเนี่ยที่มันผลขึ้นมาในหัวของเราเนี่ย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 ลมพัดเนี่ยมันก็ไม่พลิ้วเป็นคลื่นที่มีคลื่นที่เป็นหรือว่าแม้แต่พลิ้วคลื่นน้อยๆรือ ล, ลอกน้อยๆมันก็เกิดจากลมแต่โดยปกติของมันแล้วเนี่ยมันเรียบจิตของเราก็เหมือนกันนะจิตของเราโดยธรรมชาติก็ปกติท่านว่าจิตของเราเนี่ยประพัสดสอนแต่ที่เัาเศร้ามองเพราะว่ามีเมื่อมีกิเลสมาจร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 คนเราเนี่ยถ้าไม่รู้ทันไม่เห็นความจริงตรงนี้เนี่ยเราก็จะหลงเชื่อความคิดไปแต่พึ่งเือแล้วมันก็จะพาเราไปไหนก็ได้เพราะฉะนั้น เ, นเราต้องรู้จักทักท้วงความคิดบ้างไม่ว่าความคิดที่มันดูสวยดูมีเหตุผลแค่ไหนก็อย่าเพิ่งไปเชื่อมันง่ายๆเพราะว่า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 ให้มาบวช ด, ดูก่อนแต่หลายคนก็บอกว่าไม่สึกแน่นอนบวดไปได้สามสี่วันพอผัวมาวิงวอนขอให้สึกกลับไปอยู่บ้านใจอ่อนเลยน่าไม่ชีใจอ่อนมาขอสึกกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็บอกว่าแล้วว่าเนี่ยจะไปจะพิ่งไปพูดเป็นมันเป็นหมอก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 จะบวชจนบรรลุธรรมนะแต่ว่าพอมาเจอความยากลำบากนะมาเจอ อ, อุปสรรคในการปฏิบัตินะมนไม่ราบรื่นมันมีนิวนรบกวนมากหรือว่าเพียงแต่ชีวิตความเป็นพระไม่สดกสบายเหมือนเมื่อก่อนนะก็เกิดความรู้สึกท้อแท้เกิดความรู้สึก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 หรือมันก็เข้ามาเรียงหน้าเข้ามาพอเข้ามาคลองใจดานก็ปรุงแต่งเหตุผลที่สวยงามให้เราหลงเชื่อแม้แต่เวลาเราปฏิบัติอยู่เนี่ยนะมันก็จะมีความคิดต่างๆออกมาที่ทาให้เราไม่อยากปฏิบัติอยากจะทำอย่างอื่นมากกว่า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 เช่นคิดหางานทำเพื่อทีให้เราเนี่ยออกจากการปฏิบัตินั้นเราหลงเชื่อกิเลสหลงเชื่อความคิดของมันหรือเหตุผลของมันเราก็ออกจากทางจงกรมแล้วก็ไปหยิบไม้กวาดมากวาดแล้วพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะใช่ว่าพอกวาดเสร็จก็ใช่ว่าจะกลับไปสู่ทางจงกรมนเดี๋ยวก็หาหาโน่นหานี่ทาต่อ ซักผ้าบ้างกวาดพื้นบ้างแล้วสุดท้ายก็เผลอไปคุยกับผู้คนแล้วกิเลสมันก็ค่อยดึงเราไปจากการปฏิบัติจากสิ่งที่ดีออกไปสู่สิ่งที่มันแย่เรื่อยๆเดิมทีก็ดึงเราจากการเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ชวนไปทำงานพอทางานสักพักก็พันธุมก็ชวนไปคุยแล้ว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 ก็ได้ทําประโยชน์สร้างประโยชน์ให้มากมายมันจะมีเหตุผลมันจะมะีมีความคิดต่างๆมาล่อหลอกนะอันที่จริงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมานที่อยู่ภายนอกหรอกแต่มันเป็นมานที่อยู่ภายในที่กิกเลสมารที่จะมาล่อมาหลอกให้คลายความเพียรมันไม่ใช่แค่การ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 หมอเนี่ก็นึกถึงชาวบ้านเพราะนั้นก็จะทุ่มเทกับการตรวจคนไข้นอกไม่ว่ามีเท่าไหร่จะตรวจให้หมดหิวอหหิวข้าวกลางวันเพิยงแต่ก็ก็จะยังไม่พักวันนั้นเนี่ยคนไข้ยเยอะมากตรวจจนถึงบ่ายโมงจึงจะเสร็จตรวจเสร็จนี่ก็จะไปกินข้าวเลยนะเพราะว่าหิว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 หมอก็มีเวลาน้อยม า, มาได้เป็นแค่ช่วงเช้าเท่านั้นวันรุ่งขึ้นมาตรวจคราวนี้เจอพ่อแล้วหมอก็ตอบว่าพ่อเลยว่าทําไมเมื่อวานนี้เนี่ยไม่อยูย่ลูกเนี่ยนียอาการก็ยังหนักอยู่นะทําไมไม่ดูอยูดูดูแลเฝ้าลูกไม่ใส่ใจไม่รับผิดชอบเลยนะเนี่ย อนะผู้พ่อนี่ก็ขอโทษเลยนะบอกว่าข้าวที่ผมเอามาเนี่ยจากหมู่บ้านเนี่ยมันหมดแล้วไม่มีข้าวกินก็เดี๋ยวไปกินข้าววัดใกล้ๆโรงพยาบาลนะ้กินข้าววัดก็ต้องรอพระฉันเสร็จก่อนถึงจะได้กินข้าวข้าวกลนบาสนะกินเสร็จก็ต้องช่วยทําความสะอาดร่างจานะก็เลยทำให้มาสาย พอมาก็แปกว่าหมอก็ตรวจรูปไปเรียบร้อยแ ล, แล้วต้องขอโทษด้วยหมอได้ฟังนี้ก็ก็รู้สึกว่าเสียใจนะที่ไปตาหนิคนชาวบ้านนะเพราะว่านี้เขาก็น่าเห็นใจมากนะชาวบ้านนี่ก็ยากจนจะมาจะมาเยี่ยมจะมาดูแลคนไข้นี่เงินไม่พอนะบางทีต้องเอาข้าวมาเอาเอาอ า, เอาอาหารมาทำ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 ในกาลามาสูตรเนี่ยนะกาลามาสูตรนี่มันเป็นข้อปฏิบัติสิบประการที่ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินเสียงเล่าลือนะแล้วก็จะมีข้อนึงบอกอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะอาการน่าเชื่อถืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเข้าได้กับความเห็นของตัวอย่าเชื่อเพราะความคิดตรองเหตุผลนะตร ก, กะเราเห็นรูปลักษณะอาการแบบนี้เราก็สรุปเลยนะว่าเนี่ยพ่อไม่รับผิดชอบ หรือว่าคนคนไข้คนนี้นี่ไม่เอาใจใส่นะมาเช้าไม่มาดันมาบ่ายอันนี้รูปลักษณะการทําให้เราสรุปแบบนั้นแต่เราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อความขัดแย้งระหว่างเพื่อมความขัดแย้งระว่งครอบครัวมันเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนหนึ่งก็เพราะหลงเชื่อความคิดของตัวจากสิ่งที่ได้เห็นจากสิ่งที่ได้ยินแล้วก็ด่วนสรุป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 คนเรา ande, นี่ควรจะเป็นนายความคิดนะไม่ใช่เป็นทายความคิดมันก็แปลกนะทีแรกเนี่ยเราเป็นคนความคิดมันเกิดจากการตั้งใจหรือเจตนาของเราปรุงแต่งขึ้นมาเราปรุงแต่งความคิดมืนกัมืนก็เราหุงอาหารเนี่ยนะอาหารก็เกิดจากการปรุงของเราความคิดมัก็เกิดจากเจตนาหรือการปรุงของเรา แต่พอความคิดมันเกิดขึ้นแล้วนะมันกลับไปครอบงากำหนดกำกับเราทีแรกเราสร้างความคิ ด, ดแต่ต่อมาความคิดนี้มากำหนดแล้วก็มาบัญชากายวาจาของเรามันก็มืนกัะทางกันนะเวลาตอนที่ตัดทางเนี่ยเราเป็นคนกำหนดว่าทางจะไปทางไหน จะไปเหนือไปใต้จะไปซ้ายไปขวาแต่พอสร้างทางเสร็จแล้วนะเรามักจะปล่อยให้ทางเนี่ยมันมากำหนดเรานะคือเราต้องเดินตามทางที่เขามีหรือทางที่เราสร้างขึ้นมายิ่งไม่รู้ตัวก็ยิ่งเดินตามทางนั้นนะที่แรกเราสร้างทางแต่ต่อมาทางนั้นแหละก็จะมาเป็นนายเราความคิดก็เช่นเดียวกันนะคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น คือว่าที่แรกปรุงความคิดขึ้นมาเสร็จแล้วก็ปลให้ความคิดนี้มาเป็นนายของตัวถ้าคิดดีก็แล้วไปแต่ถ้าคิดไม่ดีก็เกิดปัญหาขึ้นมาต้องมีสตินะต้องมีสติรู้ทันความคิดสติมันทำให้เห็นความคิดถ้าไม่มีสตินะมันมีความคิดเกิดขึ้นก็ไปยึดว่าเป็นเป็นฉันคิดความคิดเป็นของฉันมันมีตัวกูของกูขึ้นมาครอบงา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 เกิดขึ้นในหัวแล้วสติก็จะไตรตรองจะจะช่วยในจะใช้ปัญญาไตรตรองว่าไอ้ความคิดนี้มันดีไหมมันถูกไหมนะคิดที่จะไป ท, ที่จะศึกเพื่อไปฆ่าชู้ฆ่าเมียเนี่ยมันถูกไหมถ้า ม, มีสตินะัมันมีการตั้งคำถามแบบนี้เลยมันไม่มีการทักท้วงมันเชื่ออย่างเดียวเลย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 แยกไปเรื่อยๆนะมันไม่สวยอ่ะมันเป็นมันเป็นรอยปูดโปนขึ้นมาสุดท้ายนี่เขาทำยังไงเขาต้องการกำจัดมันให้มันเด็ดขาดสิ้นเชิงก็เลยเอาน้ำมันน้มันเนี่ยนะฉีดเข้าไปในในในรังนะในอุมโมงค์ของตุ่นเนี่ยนะแล้วก็จุดไฟเผากะว่าจะให้ตายกันทั้งทั้งรังเลยพรากว่า ตุลก็ตายนะแต่ว่าไฟที่มันไหม้นะผอมันก็ไหม้จนกระทั่งสนามหญ้าเขาก็ยับเยินไปด้วยนะแทนที่จะทําเพื่อรักษาสนามหญ้ า, าไว้กลับกลายเป็นว่าทําลายสนามหญ้าด้วยตัวเองตุนเนี่ยมันยังไม่ทําให้สนามหญ้าของเขานี้แย่เท่าไหร่นะแต่พอคิดจะกำจัดตุนขึ้นมานี่เราก็ยึดมั่นถือมั่น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 เรือกว่บบาเป็นบา่าวที่ดีแต่ถ้ามันเป็นนายเราเมื่อไหร่นะก็เกิดปัญหามันมีคําพูดว่าบา่าวที่ดีกับนายที่เลวเงินเนี่ยมันเป็นบา่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวความคิดก็เช่นเดียวกันนะมันเป็นบา่าวที่ดีแต่เป็นนายที่เลวเราต้องใช้ความคิดในการทํากิจการงานต่างๆแม้กระทั่งเรามาปฏิบัติก็ต้องอาศัยความคิดเราต้องใช้ความคิดในการไตรตรองว่าเราปฏิบัติถูกไหม